ที่ดีมีคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรใครแล้วก็ไม่เห็นผิดจากทำนองครองทำอันนี้แปลว่าคิดดีเพราะนั้นเมื่อเราคิดดีแล้วสิ่งที่จะดีตามมามื่ก็ต้องตามมาในการที่คิดดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัทธ า, าติโยมทุกหมู่เหล่าควรจะ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 คิดดีทำดีพูดดีถ้าเราพวกพวกเราคิดดีคิดดีทำดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญอย่างทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ลงพ่อเน้นย้าอยู่เสมอว่ากรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเป็นพัมบาลียืนยันอกตังลุกตังเส้ยโยปัชชาตปะปฏิทุกตัง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 รับพรประสงค์อนุโมทนาให้พร